สวัสดีครับพี่น้องครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ปกครองที่มาร่วมมันภาคบ่ายหนาตานะครับขอเชิญกรรมการภาคบ่ายที่จะถ่ายรูปไว้นะครับเป็นพยานหลักฐานนะครับ ว, ว่าภาคบ่ายเรานี้ได้มีคนล้นนะครับล้นจากฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งโน้เลยนะครับพระวะจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้นะครับจริงๆก็เป็นพระวจนะที่หลายหายท่านเนี่ยได้ ได้ได้ยินได้ฟังมาผมเองนี่ผมประทับใจและผมจําได้แม่นเลยก็คือตอนนี้ท่านอาจารย์พิสนุนะครับมามาอยู่บสถพัฒนานี้แล้วผมมาอยู่พัฒนานนะท่านอาจารย์พิสนุเนี่ยมีครั้งหนึ่งครับท่านคุยโทรศัพท์กับผมแล้วผมก็ถามว่าอาจารย์จะใช้พระคัมภีร์ข้อไหนอาจารย์ไม่ต้องคิดเลยนะครับยังบอกว่ากิจการ 20- 24ผมยี่สิบสกิจการบมที่ยี่สิคืออะไ 2ี่สพี่น้องนะครับจำอะไรไม่ได้วันนี้จำกิจการยี่สิบยีิบยี่สิบสี่นะครับ20 24 mm hmm. ที่ผมจําจากอาจารย์พิษณุวครับท่านบอกนี้เลยว่ากิจการ20 24นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเรามาเปิดดูในพระธรรมกิจการ20นะครับ mm hmm. เราจะพบว่าเป็นคําปราศัยนะครับของท่านอาจารย์เปาโลถ้าพี่น้องเปิดในเพื่อนเพียนะครับขอเอาสมาร์ทโฟนลองมาเปิดดูนิดนึงนะครับ ตั้งแต่ข้อที่สิไปเนี่ยนะครับเรารู้ว่าท่านจั บ, บาโลเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านก็เคยไปที่เมืองเอเฟซัสแล้วก็ขยายคิดจักตั้งคิดจักที่นั่นนะครับแล้วอยู่เมืองเอเฟสัสเนี่ยก็หลายปีอยู่สองสามปีนะครับอาจบบารยบโลก็มีวันหนึ่งต้องจากเมืองเอเฟซัสไปนะครับแล้วคบพระพีตอนนี้เป็นข้อพระพรีที่เวลาสิทธิพิบาลนะครับจะจากคริดซจักรไปเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าจากด้วยดีนะครับ จากด้วยดีเนี่ยเขาก็จะเอาบทเนี่ยมาเทศครับนะครับเรามาดูกันครับว่าท่า น, นจามบโลเนี่ยท่านพูดว่ายังไงนะครับกับชาวเอเฟซัสที่ท่านรักนะครับขอสักท่านหนึ่งช่วยอ่านได้ไหมครับผมอ่านไม่ไหวแค่นั่นครับสักท่านหนึ่งดีไหมครับคือผมอ่านแล้วผมใจคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับ ก็ขอให้พี่น้องทักท่านหนึ่งช่วยอ่านครับช่วยเสียงดังด้วยขอออกไม้ด้วยครับเพราะว่าเขาถ่ายทอดสด น, นะครับใช่ฮะเชิญครับเ <laughs> ชิญผู้อของธนิดครับฮัลโหลแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเอง ขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการแผ่บันาลถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าครับอยากจะให้ท่านผู้ปกครองเทนเนียช่วยอ่านตั้งแต่ข้อ17ครับข้อ17เนี่ยไปจนทั้งถึงข้อ24ครั บ, รบเปาโลจึงส่งคนมาจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส<ม>เพื่อเชิญบรรดาผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นมา เมื่อมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่าท่านท่านหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าประพฤติอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่กับท่านนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแคว้นเอเชียข้าพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจและด้วยน้ําตาต้องทนต่อการทดลองที่มาถึงตัวเองอันเนื่องจากแผนร้ายของพวกยิวสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อพวกท่านข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นที่จะทํา แต่ประกาศกับพวกท่านและสั่งสอนพวกท่านทั้งในที่ชุมนุมชนและตามบ้านเรือนเป็นพยายนทั้งกับชาวยิวและชาวกรีกเรื่องของการกลับใจมาหาพระเจ้าและเรื่องของความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี่แนบัดนี้พระวิ ญ, ญญาณทรงนำข้าวเจ้าให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเจ้าที่นั่นบ้างเ๋ย่เว้นสิ่งที่พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานกับข้าวเจ้าในทุกๆเมืองว่าเรื่องจองจํา และความยากลาบากกําลังคอยข้าพเจ้าอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงแค่ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำภารกิจที่รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สําเร็จคือการเพ่งปยานถึงข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้าขอบคุณครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาอีกครั้งหนึ่งที่ข้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงนํา สำหรับความเพียงพอที่พระองค์ได้ทรงประทานและจัดเตรียมให้ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้เกิดการดนใจผู้เขียนพระวจนะของพระเจ้าท่านจาร์าโลก็ดีลูกาก็ดีที่ได้เขียนบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าด้วยการโดนใจและพระวจนะของพระเจ้านั้นก็ตัดสอนในจิตใจของข้าพโมทหลายเสมอมาขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตของเหลายนั้นจะมีประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าและทําให้ พระเจ้าทรงพอพระไทยในการที่พระองค์จะทรงใช้ข้าพพงษ์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีคนเคยถามผมนะครับบอกว่าอาจารย์มันไม่ยังเป็นเรื่องทําเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้นะนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างบางช่วงของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากที่นี้ผมก็บอกว่าเออผมก็ไม่รู้นะว่าเราจะมีชีวิตยืนถึงเมื่อไหร่ ก็ทําให้ดีที่สุดวันนี้ทําให้เต็มที่ที่สุดถ้าเราเดินได้ไม้ที่สองเนี่ยเราก็พยายามเดินให้ได้ไม้ที่สองอ น, นั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่ได้รับการช่วยให้ให้มีชีวิตยืนยาวต่อมาจากการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับผมปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยในปี1995นะครับตอนปลายปีและวล่วงเข้าไปที่96เนี่ย1996เนี่ยผมใช้เวลาทั้งปีแล้วก็ อยู่ในโรงพยาบาลห้าสิบห้าวันหลังจากปลูกถ่ายไขรกระดูกแล้วนี่ออกมาจากโรงพยาบาลนี้ต้องอยู่ที่บ้านนะครับออกไปไหนไม่ได้นอกจากไปโรงพยาบาลก็อยู่ประมาณเก้าเดือนสิบเดือน <c oughs> จากตรงนั้นเนี่ยผมขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าคนที่พระเจ้าได้ประทานมาเป็นซี่โคงของผมเนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยคือซี่โคงเนี่ยเขาไว้สำหรับอหอหัวใจใช่ไมครับ แต่สำหรับบ้านบ้านเนี่ย ท, ที่โค้งเนี่ยมันมันหักมันที่หมูใจแต่สําหรับบ้านผมนี่นะผมขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้อาจารย์ปองทิพย์เนี่ยมามาเป็นภรรยาเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ประถมนี่นะครับต้องขอขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์ปองทิพย์เนี่ยดูแลผมตลอดเวลาที่ท่านดูแลผมนะครับก็คือเป็นเวลาที่ผมได้อ่อนแอที่สุดในชีวิตและภาะวะการอ่อนแอนี่คือว่าถ้าอ่อนแอทางฝ่ายจิตวิญญาณ น, นะครับ สิ่งที่เป็นพวกมนดำวิญญาณชั่วเนี่ยมันจะปรากฏมาให้เราเห็นห้าิบห้าวันที่ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจุลานะครับมันเป็นช่องประตูนะครับเขาเจาะช่องไว้สำหรับพยาบาลหรือหมอเนี่ยคือก็เลยนะฮะโผกศีรษะไปดูนะว่าเออคนเนี้ยที่เขาทำการปลูกถ่ายไรกระดูกเนี่ยเขายังหายใจอยู่เปล่า เขาจดีอยู่เป่าเพราะว่าคือปกติเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่เพราะเข้าทุกครั้งเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนชุดใส่แมสใส่หมวกต่างต่างๆหล่นี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นมาทีนี้เมื่อจิตวิญญาณอ่อนแอนะครับคือเราก็ดูแล้วว่าถ้าถึงเวลาเราไม่ไหวนะเราจะเปิดหน้าต่างข้างหลังนะครับเปิดหน้าต่างผมก็ดูเออหน้าต่างมันเปิดนี่ไม่ยากนะมันมีลูกโก่งด้วยนะ คือวันดีคืนดีเนี่ยถ้าทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็มันด e เพรสมันมัน ซ, ซึมเศร้าครับคือมันอยากจะเปิ ด, เ ป, ดเปิดหน้าต่างแล ะ, และการกระโดดลงไปอยู่ชั้นสามผมคำนวณแล้วถ้าเอาเอาขาลงอาจจะไม่ตายนะเอาหัวลงฮะตายแน่นอนนความเร็วความเร่งแรงจีนี่ผมนึกอย่างไงก็ไปแน่นอนผมว่ากะไว้ว่าถ้าไม่ไหวจริงเนี่ยเราคงต้องทำอย่างนั้น แต่ขอบคุณพระเจ้าครับผมเล่าให้สั้นๆก็คือว่ามีพี่คนหนึ่งที่อยู่ที่โบทถมริจิตเนี่ยตอนที่อาการผมเนี่ยเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเราปลูกถ่ายไขกระดูกใช่ไหมครับเราเก็บสเต็มเซลล์ของเราเองเอาไว้ในไนโตรเจนเหลวซึ่งมันมีอุณหภูมิต่ำลบ200กว่าๆเนี่ยนะจนกระทั่งหมอเนี่ยเขาฉีดฮีโมเข้ามาเนี่ยล้างเซลล์ต่างๆให้เรียบร้อยตอนที่ล้างเซลล์ต่างๆเนี่ยก็คือมีอ เขาเรียกวายเขานะครับก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยอยู่ที่50อยู่ที่20ปกติแล้วไวเข้าของคนเราเนี่ยอยู่ที่ 5,000 ถึงหมื่นหนึ่งถึงหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่คนที่โดนเคเมีหนักๆเนี่ยนะครับก็เหลือร0 0 1, 2น0 0 0 0 0ห้าพันแต่เวลาเขาทำปลอกถ่ายไขกระดูกเนี่ยเขาต้องกดให้มันลงเหลือน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันรีเลตหรือว่ามันสัมพันธ์กับพวกเล็งเม็ดเลือดขาวเล็ดต่อมเหนือเนี่ยมาสัมพันธ์กัน เพราะฉะนี้เขาต้องเอาล้างให้หมดเลยล้างจงนกระทั่งบางทีเหลือซูนเม็ดเลือดขาวเหลือซูนถ้าคนที่เรียนมาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยจะรู้ว่าเม็ดเลือดขาวมันเหลือซูนไม่ได้ก็คือว่ามันติดเชื้อง่ายแล้วติดเชื้อพวกมันจะตายทันทีนะครับค่อนข้างจะเอาไม่อยู่ผมถามพยาบาลคนหนึ่งครับซึ่งตอนหลังเนี่ยท่านถูกเชิญเข้าวังไปดูแลเจ้านายพยาบาลคนเนี้ยดีมากเลย เพราะว่าแกจะขึ้นแม้แกมักจะเลือกขึ้นเวรบ่ายนะครับเวรบ่ายเวรบ่ายก็คือช่วงที่เขารับเวรกันประมาณ3ามโมงสมงเย็นนะฮะจนถึงห้าทุ่มพอตอนห้าทุ่เนี่ยก่อนห้าทุ่มเนี่ยสิบสี่ทุ่มสี่สบห้าเนี่ยท่านก็จะกลับบ้านก่อนที่ท่านกลับบ้านทุกวันนะครับท่านก็จะแวะมาคุยกับผมคือใส่ชุดเรียบร้อยเนี่ยแวะมาคุยกับผมตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงพ้นวิกฤตแล้วแต่ว่ามันยังมันยังมีอะไรที่เยอะแยะมากมายที่ แผลแผลในปากนี่ครับโด น, นโดนคีโมโเนี่ยคือเหมือนกับเป็นแผลล้นในเต็มไปหมดทั้งปากรวมทั้งลิ้นด้วยกรืนน้ําไม่ได้ครับต้องเจาะเจาะท่ออยู่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะใส่อาหารในใ น, ในท่อ น, นี้นะครับเรียกว่าสับเคเวียนนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพยาบาลท่านนีน้ท่านก็จะเข้ามาคุยผมเสมอแล้วก็สิ่งที่ผมจําได้จนทั้งถึงวันนี้อันนี้ตั้งแต่ปี1995นะครับถึง1996เนี่ย แกจเจ้าในภาคกอสเนี่ยชุบน้ำเกลือมาแตะที่แตะที่ริมวิปาผมพราะรู้ว่าผมกินน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้ต้องอดอาหารแต่ว่าได้อาหารทางนี้นะครับทุกวันเลยทุกวันเลยครับ7จ็ดโมงเช้าครับจะมีญาติาแท้เดียว ก, กันกับคุณพ่อนะครับกับบ้านเราเนี่ยที่แท้ลีเนี่ยครับชื่อของท่านก็คือแยมแท้ลีก็คือผมเรียกว่าโก ที่โบสถ์อจาสังส่งเรียกว่าครูแหยมนะครับอาจารย์หมอเอกราชจะรู้จักดีเจ็ดโมงเช้านะครับสมัยก่อนนะครับโทรศัพท์เนี่ยเป็นโมโตโร ล, ล่ารุ่นใหม่ลิขิตครับเปิดฝาเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเจ็ดโมงเช้าตรงเพะเลยครับจะมีเสียงโทรศัพท์แรกๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นท่านท่านก็โทรหาผมพอวันที่สองโทรหาผมว่นที่สมโทรหาผม วันที่สี่ผมรู้ละวเจ็ดโมงเช้าใครจะโทรมาและท่านโทรหาทุกวันจนกระทั่งผมออกจากโรงพยาบาลอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับการดูแลจากคนของพระเจ้าและตอนที่จิตตกนะครับจิตตกเนะี่ยผมเห็นเลยครับว่ามันมีตุ๊กตาที่เรียกว่ากุมารสีดําวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาพอเรามองเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราเรารู้แล้วว่านี่เป็นวิญญาณชั่วแล้ว ที่มาให้เราเห็นผมก็รู้ว่าจิตใจเราเนี่ยจิตวิญญาณเราเนี่ยอ่อนแอพี่น้องถ้าวันนี้คืนนี้พี่น้องเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขอให้รู้นะว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยอ่อนแอนะครับมันถึงจะมีการลบกวนจากวิญญาณชั่วทั้งหลายทีนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมรวบให้สั้นก็คือว่าทาให้เรารู้ว่าเวลาของเราเนี่ยมันไม่รู้อยู่เท่าไหร่ เพราะว่าออกจากโรงพยาบาลนั่นนะครับคุณหมอที่ทําการรักษาผมเนี่ยก็ม า, สาแสดงความยิดีได้ออกแล้วนะครับตอนนั้นนี่นะครับเข้าห้าคนนะครับออกสี่คนออกสี่คนก็คือไม่ได้ออกคนหนึ่งนะครับคือไม่ได้เดินออกนะครับนอนออกะครับเลินเข้าห้าคนเนี่ยออกสี่คนจากสี่คนนี่นะครับสองปีนี่เหลือแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นเองผ่านไปสองปีเหลือหอนึ่งหองคนนี่คือสถิตทิที่เขาเก็บไว้นะครับตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ผมเป็น ผมเป็นเคสที่ประมาณว่าเจ0ดดของประเทศไทยอะ่ะที่เขาทำทาทํามานะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเคส่วงนี้นะครับก็ไม่เหลือเพราะว่าเป็นพวกอาการหนักหลังๆแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพี่น้องครับทำให้โบสถ์ไมตรีจิตเนี่เขาก็ให้ผมเข้าไปทำงานที่นั่นรับใช้พระเจ้า ผมทำงานไปประมาณ 3-4 ีป่ปีตั้งแต่ปีเกสใช่ไหมครับเก 94, ส5 9เก7 98ี่ห้าเก้ากกา็ดกบ์มดีจก็สถาปันนาให้ผมเป็นศาสนาจารย์แล้วผมก็บอกว่าในเมื่อสถาบันนาให้ผมเป็นศาสนาจารย์นะผมก็ขออนุญาตไปเรียนได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะก็มีความรู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องรีบเรียนให้ก่อนนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เหมือนกันนะก็เรียนไหก่อนขอไปเรียน มีผู้ใหญ่บางท่านบอกผมอย่างนี้บอกว่าอาจารย์อย่าไปเรียนเลยเพราะว่าแกก็พูดในแบบแบบสุภาพสุภาพนะบอกว่าก็สุขภาพไม่ดีอย่าไปเรียนเลยนะครับสิ่งที่สิ่งที่ในวงเล็บก็คือว่าไม่รู้ลื้อจะตายเมื่อไหร่เรียนไปก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นสัญญาณที่บอกมาผมกับภรรยาอาจารย์ปองคิพเนี่ยก็นั่งอธิษฐานนะครับนั่งอธิษฐานบอกว่า พระเจ้าจะนําเราอย่างไงเนาะเราขอบคุณพระเจ้าพออยากปี98สถาปนาเป็นศาสนาจารย์ท่านอาจารย์ดรสุวิมลบอกว่าออในเมื่ออาจารย์นี่นะอยากจะไปเมืองนอกนะจะต้องมีเลเวลนำหน้าเลเวลนําหน้าหมายความว่าเป็นมีศาสนาจารย์นำหน้านะมีศาสนาจารย์นำหน้าปุ๊บเนี่ยพอไปเมืองนอกปุ๊บเนี่ยเออพูดยังไงก็คือว่าเขาจะให้ความเคารพเขาจะให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายท่านก็หวังดีก็ ก็ด้วยความพร้อมของเราด้วยเหมือนกันก็คือว่าท่านก็สา a b h าเป็นศาสนาจารย์การ s า b h a ศาสนาจารย์ของโบสถ์เมดิจิตนะครับคือเขาต้องยกมือนะครับนะบไม่ใช่สอบนะฮะสอบข้อเขียนเนี่ยไม่สอบครับสอบแต่สัมภาษณ์แล้วก็ยกมือครับยกมือหมายความว่าคือท่านประธานธรรมกิจเนี่ยท่านก็จะมานําการประชุมใช่ไหมครับเขาเรียกว่าชุมชะมัดชาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้นะครับคณะธรรมกิจเนี่ย ขอเสนอให้อาจารย์ศึกษาเนี่ยนะฮะได้รับการสาบานาเป็นศาสนาอาจารย์นะครับขอให้พี่น้องยกมือการยกมือผับๆนะครับมีใครคัดค้านไหม <c ười> คือตามหลักของเราเนี่ยนะครับคือถ้ามีคนคัดค้านแม้แต่คนเดียวเนี่ยนะฮะก็ไม่ผ่านนะครับกลับไปใหม่ท่านทางมังกรก็ไปจัดการกันใหม่อีกรอบหนึ่งฮะกี่จะ ก, กี่รอบก็แล้วแต่เนี่ยต้องโหวตให้ผ่านให้ได้และเอกฉันด้วยนะครับไม่ใค่ ไม่ใช่มีแค่คนเดียวหรือไม่ไม่คนหนึ่งหรือสองคนยกมือผมไม่เห็นด้วยอาจารย์ศึกษาจะเป็นศาสนาจารย์นี่ก็คือหยุดเลยนะครับอันนั้นคือวิธีการสหวันาศาสนาจารย์ของโบทเมดิจินผมก็ขอบคุณพระเจ้าไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงนะ <c oughs> เขาก็ยกมือกันพึ่บๆไม่มีคนคัดค้านเลยหนึ่งดครับพอหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งผมก็ไปอยู่ที่อเมริกา พวกเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีบ้านเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดผมไม่อยู่เนี่ยใครจะผ่อนบ้านนะครับเพราะใจบองคิดตอนนั้นเนี่ยลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกนะครับลูกตอนนั้นก็ยังเล็กอยู่นะครับก็เป็นวัยรุ่นนะครับคือพูดง่ายว่าผมอ่ะต้องรับใช้อย่างเดียวผมเป็นอะไรเนี่ยก็เดือดร้อนผมขอพระเจ้าว่าตอนที่ผมป่วยผมขอพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเมตตาครอบครัวผมนะ อย่าให้ลูกชายกัมพร้าพ่ออย่าให้ภรรยาเนี่ยนะครับก็เรียกเป็นหญิงไม่ขออยู่อย่างเนี้ยในสุดพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเมื่อพระเจ้าตอบคาอธิษฐานนะครับผมก็บอกว่าเวลาที่ผมเหลืออยู่ในโลกเนี้ยผมขอถวายพระเจ้าพระเจ้าก็มีวิธีการสอนในชีวิตของผมเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยมาเรื่อยเยอะแยะมากมาย และผมเนี่ยได้ไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนสามมุขคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าก็เตรียมผมเพื่อที่จะมาอยู่วัฒนาผมจําได้ว่าครั้งแรกเลยนะครับที่ทางกรรมการสรรหาที่จะวัฒนาเนี่ยนะครับก็พาไปรับประทานอาหารที่ร้านเพลินใช่ไหมครับอาจารย์ว่าอะอาจารย์ชอบเรียกว่าอะไรผมจได้ไมครัเพลินแล้วท่านเนี่ยกับท่านอาจารย์ชูศักด กับพี่หมอนะครับก็นั่งคุยกันผมก็ถามพี่หมอกระลาบคำหนึ่งบอกว่าพี่หมอครับบทวัฒนาเนี่ยมีแบบมาเฟียไหมอย่างจำลองนี่นะฮะผมจำจำไม่ได้มีมาเฟียไหมคือบทเก่าแก่นะครับเขาจะมีกลุ่มตะกูลตะกูลตระกูลนะฮนะแล้วก็อันนี้เล่าสู่กันฟังนะฮนะก็นะ มีพระวจนะพระเจ้าด้วยเหมือนกันเป็นพยานเหมือนกันก็มีกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มเนี่ยผมก็ถามพี่หมอว่าพี่หมอครับมีมาเฟียไหมครับมีมาเฟียคือกลุ่มตระกูลใหญ่ๆที่คุมอานาจโบสถ์ไหมพี่หมกว่าไม่มีไม่มีนะครับแล้วผมอยู่มาสิบปีเนี่ยก็ไม่มีไม่มีบ้านไหนกลุ่มไหนที่คุมอํานาจกลุ่มอาํานาจไม่มีแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนแต่เช้าก็คือว่ามีแต่ผู้ที่จะสนับสนุนงานของสอบอ พี่น้องรู้ไหมครับว่าคุณภาพของโบสของเราเนี่ยคือขอให้มีใครคลิกเขานะคลิกนิดเดียวนะชีวิตของเขาเนี่ยพอเขาพลิกฟื้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบผมใช้คําว่าระเบิดเถิดเทิงรู้ไหมครับระเบิดเถิดเทิงเลยก็คือว่าขอให้พระเจ้าคลิกชีวิตของเขานิดเดียวเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยคือเขามีศักยภาพอยู่แล้ว พี่นงค์ครับคริสตจักรของเราเนี่ยมีศักยภาพทั้งคนทั้งอะไรครับทั้งสถานที่ลองถามดูสิครับคนที่มาโบสถ์ัฒนาเนี่ยเนื่องจากที่อื่นไม่มีที่จอดรถครัาผมก็เคยถามว่าทําไมพี่มามาโบสถเนี่ยนะครับอยู่โบสถได้จิตทัลมานับสการบสถเนี่ยผมก็ถามว่าทําไมพี่มาบสถเนี่ย เขาบอกว่ามันดีมีที่จอดรถคือจอดรถปุ๊บนี่ครับเดินมาเนี่ยหานาทีถึงโบสถ์แล้วแต่ขอโทษนะครับถ้าไปนิทรรศการที่โบสถ์สะพานเหลืองไปโบสถ์สาธรไปโบสถ์ไมดิจิตเนี่ยคุณต้องจอดรถที่หูล้ำโพงจอดรถที่ลงหนังรามานะนะจอดรถที่ไหนก็ไปรู้นะแถวสาธรนะครับนะแล้วถ้าเกิดมาโบสถ์พระคุณนี่ต้องจอดรถที่ไหนครับโรบินสันครับตอนนี้ไปจอดรถเทอร์มินอลต้องเดินมา เดินมาโบสนี่อย่างน้อยเนี่ยสินาที20นาทีเดินมาแล้วสมาชิกที่โบสถ์มดิจิตเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถูกกระชากกระเป๋านะฮะเพราะว่าเขารู้ครับว่าคนที่มาโบสเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยแต่งตัวดีมีอันจะกินใช่ไหมครับเขาก็เตรียมไว้เลยมอเตอร์ไซค์ฮะเสร็จปุ๊บนี่ยเขากระชากกระเป๋าเนี่ยมีรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขากระชากกระเป๋าถูกกระชากกระเป๋าแล้วล้มไปนี่แขนหักเข้าเฟืองอยู่หลายหลายหลา ย, หลายสัปดาห์เลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับโบสทั้งหลาย แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าโบสถ์เราเนี่ยดีขนาดไหนจอลรถปื๊ดเป็นไงครับมาถึงใช้บริการได้เลยนะครับก็เรียกอังกฤษเซอร์วิสไทยเซอร์วิสนะครับมาใช้บริการได้เลยแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าพระวจนะพระเจ้าในวันนี้เตือนเรานะครับบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่าและประเสชน์สาหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้า ขอทําหน้าที่ให้สําเร็จก็แล้วกันเราไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นได้วางเรานะอยู่ตรงไหนแต่ถึงเวลาปุ๊บนี่ยเรารู้และเมื่อพระเจ้านำปุ๊บนี่พระเจ้าจะบอกเราครับว่าจะทําอะไรบ้างและเมื่อพระเจ้าบอกเราว่าจะทําอะไรบ้างปุ๊บนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตอบสนองอย่างเดียวคือทําให้มันสุดจิตสุดใจถ้าทาธรรมดาก็ว่าทําให้มันสุดใจขัดดิ้นไปเลยนะครับคุณพ่อผมสอนบอกว่าไม่มีใครตายเพราะว่าทํางานตายนะครับ มีแต่ตายเพราะว่าอดอยากตาย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องทำงานต้องเอาจริงเอาจังต้องอุตสาหะพี่น้องครับพอเวลาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็นั่งพริกพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบห้าพี่น้องเปิดดูนะครับมัทธิวบทที่ยี่สิบห้า อุปมาเรื่องเงินตะลันครับพี่น้องสังเกตนะครับว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาได้5้าตะลันมีคนหนึ่งได้สองตะลันมีคนหนึ่งได้ตะลันเดียวได้ห้าได้สองได้หนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เป็นหัวใจของพระภัยค้อนี้คืออะไรครับก็คือว่าคุณได้ห้าใช่ไหมแล้วคุณก็ไปเพิ่มอีกให้กลายเป็น5้าอีกห้าคุณได้สองอีกคนได้สองเขาก็เพิ่มอีกได้เป็นสองเป็นสี่อีกคนได้ได้หนึ่ง เขาไปฝังดินเพราะฉะนั้นห้าสองหนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบกับพวกเราทั้งหลายทุกคนได้ครับบางคนเนี่ยมีห้าพี่น้องคิดว่าโบสเรานี่มีสักห้าหรือสองดีพี่น้องคะวงวงเปล่าครับโบสเราเนี่ยห้าหรือสองครับบอกบอกตรงๆจากใจให้ผู้ปกครองชื่นใจหน่อยห้า <laughs> หรือสองครับห้าแน่นอนใช่ไหมครับ ห้าเนี่ยควรจะทำได้เท่าไหร่ครับห้าควรจะทำได้เท่าไหร่ครับห้าควรจะทาได้ห้าเป็น10บใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราห้าเราทำได้เท่าไหร่อันนั้นก็หาหนักเกินไปเราไม่กล้าไปฝังดินหรอกครับแต่ถามว่าเรามีห้าใช่ไหมครับเรามีที่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับ ตารางว่าหนึ่งล้านสองแสนบาทนี่ราคาประเมินแต่ข้างนอกเขาขายกันหนึ่งล้านห้าแสนบาทเรามีกี่ไร่ครับผมขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าวันก่อนนั้นมีน้องคนหนึ่งเขาชอบประวัติศาสตร์เขาก็ไปค้นออกมาได้นะครับนี่ผมเตรียมไว้แล้วครับเขาส่งให้ผมเป็นโฉนดในสมัยตอนรัชกาลที่ห้าที่รัชกาลที่ห้าหรือรัชกาลที่หนี่ครับผมจำไม่ได้แน่เขาเขียนว่า โรงเรียนวิทยาวัฒนาในโฉนดนะครับแล้วก็ยังไม่มีภาพปรากฏว่ามีขึ้ษจักวัฒนานั่นหมายความว่าโนดนี่มันต้องออกมาก่อนที่พระอาจจะซื้อที่ตรงนี้หรือว่าเราจะมีที่ตรงนี้ด้วยซ้ำผมกะว่าผมจะใส่กรอบนะครับแล้วผมจะมอบให้กับขร้นจักเพราะว่าน้องคนนี้เขาไปถ่ายม า, ยางไงไม่รู้นะไปเอามาได้จนทั้ง ไปทำอะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งได้มาเขาก็ส่งมาให้ผมนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องว่าสถานที่ของเราบุคลากรของเรานะครับงานต่างๆของเราเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสุดยอดผมก็มานั่งคิดดูว่าคิจักพัฒนาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคิดจักในสภาคิดจักในในเอาเอาเป็นว่าในกรุงเทพก่อนนะครับถามว่าเราน้อยหน้าคนอื่นไหม น้อยหน้าคนอื่นไหมครับพี่น้องไม่น้อยเรื่องอะไรครับเรื่องที่จอดรถกว้างหรือไม่น้อยเรื่องอะไรครับกว้างขวางใหญ่โตเป็นคริสจักรที่อยู่ในสวนถูกไหมครับโหเราลมล้อไปด้วยสวนเรามีคนเก่งๆเยอะแยะมากมายในคริสจักรของเราเรามีตะลันตั้ง5้าตะลันคนที่มีสองตะลันนะเขาก็ทำเต็มที่เขาก็ได้สองตะัน แต่ขออย่าให้เราเป็นหนึ่งนะผมตัดสั้นก็คือว่าคุณจะใช้า้าตาลันนี้ได้ยังไงคุณต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างพี่น้องดูนะครับคุณสมบัติเนี่ยอยู่ที่คำชมของนายนายเนี่ยชมเขาไว้ยังไงครับเจ้าเป็นอะไรครับเจ้าเป็นธาตุที่ <c oughs> ดีและสัจซื่อนะครับทีนี้ผมอยากจะเพิ่มอีกอันหนึ่งพี่น้องพลิกกลับไปครับ นะครับอยู่ในบทที่ยี่สิบสี่ถัดไปอีกบทเดียวนะครับข้อสี่สิบห้าครับเพียงต้องกะเห็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากเลยครับนะฮะมัทธิบทที่ยี่บสี่ข้อที่สี่สิบห้าเปิดพบไหมครับคนานนพร้อมกันนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับใครเป็นทาสสัตว์ซื้อและฉลาก เอาใหม่อีกทีครับใครเป็นธาตุสัตว์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกเบาวธาตุสาหรับแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขากระทําอยู่อย่างนั้นธาตุผู้นั้นก็จะเป็นสุขจากพระคำพีเนี่ยนะครับคือแม่นยําที่สุดแล้วหนึ่งคือดีสองคือสัต์ซื่อสคือฉลาดถ้าพี่น้องจะเลือกสิทธยาพิบาล น, นะครับหนึ่งดีสองสัตซื่อ3ฉลาด ถ้าพี่น้องจะเลือกผู้ปกครองมากกานายกหรือเลือกหัวหน้าคณะต่างๆประธานคณะต่างๆหนึ่งดีสองสัตว์ซื่อสมฉลาดเอาใหม่ครับหนึ่งดีสองสัตว์ซื่อสามฉลาดนี่คือธาตุที่อยู่ในพระกรัมพีเป็นคุณสมบัติของธาตุในพระกรัมพีดีสัตว์ซื่อและฉลาดหนึ่งคุณธรรมต้องมาก่อนเขาจะต้องเป็นคนดีจิตใจต้องงดงามจิตใจต้องงดงามมาก่อนใช่ไหมครับสองเนี่ย สัตซื่อวัดยังไงครับเขาสัตซื่อในของเล็กๆเขาจะสัตซื่อในของใหญ่ด้วยเอาของเล็กๆไปวัดเขาใหายของใหญ่นะครับเอาของเล็กๆ น, น้อยๆสังเกตดูชีวิตของเขาถ้าเขาสัตซ์ซื่อนี่เขาจะสัตซื่อในของใหญ่อันนี้สามคือฉลาดฉลาดนี่สอนกันไม่ได้นะครับมันอยู่ในยีนหนึ่งแต่ฝึกออกมาได้ฝึกขึ้นมาได้ว่าเราสามารถที่จะทําให้คนฉลาดได้ถ้าเขาพี่น้องถ้าเขาอะไร หลักการพระคัมภีร์ครับยำเกรงพระเจ้านะครับและเขาต้องเป็นที่เชื่อฟังพระองค์ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาและความรู้การเชื่อฟังนำมาซึ่งสติปัญญาคนคนนั้นเนี่ยจะต้อง ยำเกรงพระเจ้าทูลขออธิษฐานแล้วก็อะไรครับเชื่อฝังพรงเป็นที่มาของความฉลาดถ้าเราบอกว่าเราอยากจะฉลาดนะต้องถ่อมใจแล้วเราจะฉลาดพระเจ้าจะยกเราขึ้นอันนี้เป็นคุณบัตรสประการนะครับทีนี้ผมขออนุญาต ก, กลับมาที่กิจการบทที่20่สิบกับถ้าพี่น้องดูนะครับในกิจการบทที่20สิบเนี่ยจะเป็นคําอําลาที่หมูบอกว่าเป็น the last lecture นะครับ ในแง่ที่ว่าเราเองนั้นนะครับเวลาที่เราอยู่ที่ไหนนะครับเวลาที่เราอยู่ที่ไหนเราต้อใช้พระเจ้าอยู่ในโบทวัฒนานะครับสิ่งที่เราเองนั้นต้องมีนะครับในข้อที่19ก่อนข้อ19ในข้อที่18แเนี่ยท่านจามโบโบอกว่าคุณรู้ดีว่าตอนที่ผมมาแรกๆเนี่ยนะครับผมทำอะไรบ้างอาจารย์โบโพูดอย่างนี้นะครับ ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่าข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแคว้นเอเชียข้าพเจ้าได้ปรนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยน้ําตาไหลด้วยการถูกทดลองและข้อ20บอกเบอกว่าสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ได้ปิดซ่อนไว้แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็นและสั่งสอนท่านในที่ประชุมตามบ้านเรือนเรื่องอะไรครับข้อ21ครับเรื่องอะไรครับเรื่องการ กลับใจใหม่ครับและความเชื่อในพระเยซูพี่น้องครับถ้าบอกว่าถ้าถามว่าท่าอนอาจารย์บาโลเนี่ยวังจะเห็นอะไรในขี้จากเมืองเอเฟซัสก็คือว่าหวังจะเห็นพระกิตติคุณของพระเจ้าเนี่ยประกาศจากเมืองเอเฟซัสเนี่ยประกาศไปประกาศไปประกาศไปเหมือนกับเยรูเซมเนี่ยประกาศไปแฝงไปสามาเรียแคว้นมาซิโดเนียแล้วก็ไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั่นคือสิ่งที่อาจารย์บาโลหวังไว้เป็นพระมหาบัญชาของพระเจ้า เพราะฉะนั of of course, Actually, Aye, ้นเนี่ยนะครับคือผู้รับใช้ที่ดีเนี่ยต้องไม่มีกักเข้าใจไหมฮะคือบอกทุกอย่างที่เป็นคุณประโยชน์กับคริสตจักรของพระเจ้าบอกทุกอย่างที่เป็นคุณประโยชน์กับคริสตจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขามีท่าทีท่านจะบรมิท่าทีที่จะอยากจะเห็นคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีเป็นคริสตจักรที่พระเจ้า จะรับการถวายเกยียรติยกย่องจากผู้ที่มานมัสการผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่เดินเข้ามาในโบสถ์เนี่ยเขาจะพบว่าโอ้โหโบสถ์นี้สุดยอดเห็นไหมครับพี่น้องครับโบสถ์เราเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเพราะว่าสไตล์สะะารปัตยกรรมของเราเนี่สุดยอดนะครับแล้วโบสถ์เราเนี่ยสามารถเลือกอุณหภูมิได้นะครับอยากจะอุ่นก็อยู่ตรงนี้อยากจะเย็นก็อยู่ตรงกลางจริงไหมครับจริงนะนะเราสามารถเลือกอุณหภูมิได้ครับ และอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลือกที่จะอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คุยกับใครก็ได้ทะเลาะกับเขาก็มาโบสนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะโบทใหญ่ใช่ไหมครับนะคนที่เราไม่ค่อยชอบหน้าชอบตาเนี่ยนะเขาเดินมาทางซ้ายเราก็เดินออกทางขวาคือเราสามารถเดินสวนกันได้โดยไม่ต้องไม่ต้องคุยกันได้นะเห็นไหมฮะอันนี้คือไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นเรื่องจริงและทําให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุข คือไ ม, ไม่ต้องคุยกันก็ได้นะแต่มาโบสถเดียวกันได้น่าแปลกไหยเห็นไหมแต่ผมคิดว่าเป็นพระพรของพระเจ้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทําให้โบสถ์ของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองว่าโบสถ์เราเป็นอย่างเนี้ยนะโบสถ์เราเป็นอย่างเนี้ยแต่ถามว่าเราต้องเริ่มคิดจากฐานที่ว่าโบสถ์เราเป็นอย่างเนี้ยนะครับเราต้องคิดในแง่ที่ดีก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างโบสถ์ของเราให้เติบโตมากยิ่ขึ้นผมจําได้เลยครับปีแรกเลยมานะครับ ก็มาภาคบายนี่ตั้งมากี่ปีแล้วครับอาจารย์โอก๊กน่าจะแปดแปดปีแล้วนะครับผมเข้ามาปีที่สองเนี่ยคุยกับพี่สุพพงษ์พี่สุปพงษ์พี่นิดนะครับพี่สุปพงษ์ก็เล่านิมิตของท่านให้ผมฟังตอนนั้นผมยังไม่รู้จากพี่สุพพงษ์นะว่าท่านเป็นระดับไหนนะฮะของของอะไรของระยองเพลรีไฟล์นะครับนี่ ยังไม่รู้ว่าท่านขนาดไหนนะแต่รู้ว่าท่านเล่นดนตรีเก่งมีมีของประทานเยอะแล้วก็มีความสามารถวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่ากพี่สุปพงศ์บอกผมบอกว่าจะรู้ไหมผมมินิมิตเห็นภาพของโบสถ์วัฒนาเนี่ยหรือทิ้งสร้างใหม่เลยนะแล้วก็มีคนนั่งสองพันคนพี่น้องฟังแล้วอเมนไหมครับ อเมนตอนนั้นเรายิ่งใหญ่เลยนะยถ้าสมมติว่าเราได้ 2,000 คนนะสร้างใหม่ 2,000 คนนะนี่คือนิมิตของพี่พี่พี่พนินเมื่อสักครู่นี้พี่นินบอกว่าอาจารย์เมื่อไหร่กลับมาผ ม, ผมผมบอกพี่ 2,000 คนนะ 2,000 คนนะนิมิต 2,000 คนนะพี่น้องเมื่งครับว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่เพื่อขยายแผ่นดินพระเจ้า ชีวิตผมอยู่เพื่อขายแผนินพเจา้าของพี่น้องอยู่เพื่อขยายแผ่นดินพระเจ้าเนี่ยนี่คือพระมหาบัญชามัทธิวที่28ข้อ 19-20 จำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราอามนเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าผู้เล็กน้อยจะเป็นคนต้น นั่นแหละครับพระกัมพีนี่แม่นเพรเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เราสร้างสาวกขอบคุณพระเจ้านะครับกลุ่มดีเอนี่ยเริ่มสร้างสาวกพระเจ้าเริ่มขยับตรงนั้นน้องยังโปรเริ่มแล้วกลุ่มบ้านและครอบครัวเริ่มแล้วอะไรอีกครับกลุ่มสตรีวันศุกร์เริ่มแล้วนะครับ ห้องเรียนละ ว, วีเริ่มแล้วเด็กละ ว, วีเริ่มแล้วพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องจับกระแสคริสจักรวัฒนาให้ได้จับการเคลื่อนของพระเจ้าในคริสตจักรของเราให้ได้นะถ้าพี่น้องจับได้นี่นะแล้วเราจะร่วมกระแสร่รวมลิมิตไปด้วยกันนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าคริสจักรวัฒนาเนี่ยระเบิดเถิดเทิง อเมนนะครับคือคฤจจักรวัฒนาเราเนี่ยจะเป็นคฤจจักรที่ถวายเกียรติพระเจ้ามีสง่าราศีของพระเจ้ามันอยู่ที่ว่าเราต้องคลิกอะไรบางอย่างพระเจ้าจะคลิกอะไรบางอย่างจากเราผมก็มามองว่าเออแล้วทําไมพระเจ้าจะคลิกอะไรแล้วทาไมเคลื่อนผมออกไปล่ะผมก็นั่งนึกกับผมนี้เนี่ย <laughs> ผมรู้เ่ยนะพี่น้องคิดอยู่แล้ว <laughs> ผมก็คิดมาก่อนครับ ผมบอกว่าในเมื่อขณะนี้พระเจ้ากำลังเคลื่อนเห็นเคลื่อนเห็นจังหวะการเคลื่อนของพระเจ้ามาเมื่อผมต่อวาระที่สองเมื่อเมื่ออาคารพระอาจดเริ่มเสร็จพี่น้องรูไ้ไหมครับว่าตอนที่สร้างอาคารพระอาดเนี่ยผมก็อธิษฐานนะฮะแล้วผมก็บอกกับท่านธรรมกิจเนี่ยบอกว่าท่านเคยเห็นไหมคิดจักรเนี่ยสร้างไม่เสร็จมีไหม เพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเรามีเงินอยู่กี่ล้านนะครับอาจารย์ครับ 20, 20, 20, 20ล้านแล้วเราปมูลนี่นะครับ72ล้านผมจําได้วันนั้นผมเป็นกรรมการเปิดซอง72ล้านแล้วเงินอีกตั้งเท่าไหร่ตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับจะมาได้ยังไงพี่น้องเห็นไหมครับว่าอาคารพระอาร์พิยาคมของเราเนี่ยมาได้เพราะว่าพระเจ้าพระเจ้าลว้ลวนเลยนะครับพระเจ้าลว้ลวนเลยนะ อยู่ดีๆก็มีพี่น้องเราไปติดต่อกับปูน TPI นะครับเขาก็บริจาคปูนมาทั้งโครงการนะฮะฟรีหมดทั้งโครงการเลยนะพี่น้องท่านนี้ช่วยท่านนี้ช่วยท่านนี้ช่วยท่านนี้ช่วยเราอะเหนื่อยเพราะอะไรครับเราต้องพยายามจัดดนตรีมั่งจัดโบลิงมึงเหนื่อยมากตอนนั้นเนะ่ยเราหาทุนกันโอ้โหแต่ว่าพระเจ้าก็ช่วยเราเอ้สุดแล้วเนี่ย พระเจ้าก็ให้เราสร้างเสร็จสร้างเสร็จอะไรเป็นพระพรพี่น้องลองย้อนกลับไปดูเป็นพระพรทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเมื่อเราสร้างเสร็จปุ๊บสอบอมีที่นอนอาค า, ารสถานที่เราก็ดูเนี่ยแบบดีมากท่านองคมนตรีก็มาเปิดทุกอย่างเนี่ยพี่น้องครับพระเจ้ายกชูเราพระเจ้ากำลังยกเราขึ้นพี่น้องผมอยากจะรู้ว่าผมอยากให้พวกเรารู้ว่าพระเจ้ากำลังยกชูเรา แลโบสเราเนี่ยเราต้องสร้างฟอเดชั่นให้แข็งแรงคือพระวจนะของพระเจ้านะครับละวีวัาศึกษาทําให้ดีครับพี่น้องมีลูกมีหลานพยายามพามาโบสมาเรียนละวีวัลศึกษานะครับแล้วว่างๆหลังจากนี้ผมจะชวนกรกรมการละวีไปดูที่โบสถ์ม่ดิจิตเรามีทั้งหมด30ชั้นเรียน30มกว่าชั้นเรียนทํำยังไงครับก็ว่าเขาเนี่ยพอถวายลูกปุ๊บใช่ไหมครับเขาก็บังคับตัวเองฉันต้องเลี้ยงลูกคนฉันให้ดีตัวเองเนี่ยนะ ไม่ดีมาแล้วเนะี่ยไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ก็เลยเลี้ยงลูกให้ดีเลี้ยงมาเรื่อยๆ ร, รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น น, นะครับรุ่นผมเนี่ยไม่ค่อยเรียกว่าแทบจะเหลือสูเลยนะครับที่จะแต่งงานคนไม่เป็นคริสเตียนแต่งกับคนเป็นคริสเตียนหมดเลยครับไม่มีใครที่แบบแต่งกับคนไม่เป็นคริสเตียนเนาะมีก็มีสักคู่หนึ่งสองคนน้อยมากเลยครับรุ่นผมนี่มีประมาณยี่สบสาสิบคน รุ่นๆรุ่นอายุประมาณผมนี่นะครับในโบสเนี่ยแล้วรุ่นต่อตอไปเขาก็มีรุ่นละ20คน30คนรุ่นใหม่งี้ไล่ไปเรื่อยถัดไปถัดถไปเรืเ่อยๆนั่นครับคือสิ่งที่วางรากฐานผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องอย่าหยุดในการเรียนพระกัมภีร์นะครับประการต่อไปก็คือว่าเมื่อเราเรียนพระคัมภีปุ๊บเนี่ยพอเรียนไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะมีความรู้สึกอย่างเลยเพราะวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์จะเคลื่อนเรานะ เมื่อลงพระวิญาณบริสุทิเคลื่อนเราเนี่ยใครมีความสึกว่าเล่าร้อนในใจเนี่ยนะเวลาเรียนพระบรมพีนะพระิญาณจะเปลี่ยนชีวิตของเราว่าอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้แล้อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วมันมีความร้อนใจอยู่ในตัวเรียนพระบัมพีเนี่ยมันมีความร้อนใจอยู่ในตัวเราจะไปถกเรื่องปัญหาที่บางทีมันหาสาระไม่ได้คนนู้นคิดอย่างนี้คนนั้นคิดอย่างนี้ถามว่าพระเจ้าบอกอะไรกับเราถามว่าพระเจ้ากําลังให้เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรคุณคิดอย่างนี้ปุ๊บนี่ไหลแล้วคุณจะได้ยินเสียงพระเจ้าและเมื่อคุณได้ยินเสียงพระ เร่งเราเราในในใจของเราให้เราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมา <c oughs> ยกตัวอย่างนะครับอาจารย์วรทธิดาเนี่ยขอเล่าเรื่องนิดนึงตั้งแต่แกเรียนพ่มพีเนี่ยตั้งแต่แกเข้ากลุ่มนะครับ <c oughs> พระเจ้าก็สร้างกระแสะพระเจ้าสร้างภาระใจออกมาแล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตของของอาจารย์วรทธิดา นี่นะครับนี่คือตัวอย่างผมถามว่าในคิรของเราเนี่ยมีหลายคนที่เป็นแบบนี้มากๆเลยและเขาก็ได้เข้าไปถึงวงในของพระเจ้านะเรามีร้านอาหารวงในใช่ครับอันนี้วงในของพระเจ้านะวงในเนี่ยเป็นวงในที่มันเป็นเวลาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอินเตอเมซีมากเลยกับพระเจ้ามันอินตอเมซีกับพระเจ้ามากเลยถ้าพี่น้องมีประสบการณ์อินเตอร์เมซี่กับพระเจ้านะในการอ่านพระคัมภีร์ ในการอธิษฐานในการใคร้คูนกับพระเจ้านะพี่น้องมันจะมีแรงบนันดาลใจอยู่ข้างในว่าเราอยู่เหยไม่ได้เราจะเห็นคริสตจักโตเราจะเห็นคนนี่นะครับที่ได้รับการช่วยเหลือเราจะเห็นคนที่แบบว่าเขามีความด้อยอะไรบางสิ่งบางด้านของชีวิตเนี่ยได้รับการเติมเต็มนั่นคือสิ่งที่เป็นภาราใจของผมซึ่งเป็นศิษยพิบาลหลายครั้งนะครับ <c oughs> เวลาผมนาได้รับนา มหาสนิทนี่นะเสียงบางอย่างมาจากพระเจ้าผมไม่ได้ยินเป็นเสียงแบบว่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าไม่มีนะผ ม, ไ, มได้ยินเสียงพูดอยู่ในใจนะครับ <c oughs> ตอนที่ผมกำลังจะตัดสินใจที่จะกลับไปที่บิดาจิตเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ประกอบพิธีอยู่เนี่ยมาแล้วเจ้ารักเราหรือเจ้ารัก คนเหล่านี้หรือเปล่าแลวเมื่อเช้านี่แหละครับก็มาอีกแล้วผมก็ถามตัวเองว่านี่ผมผมรักลูกแกะของพระเจ้าหรือเปล่าผมรักลูกแกะของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเวลาที่ผมต้องไปถวายรายงานกับพระเยซูนะแล้วบอกว่าผมได้ทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดของผมก็ได้แค่นี้เลย นะตามที่พวกท่านเห็นอยู่เนี่ยที่สุดแล้วดีกว่านี้อีกได้ไหมย้อนกลับไปถ้าผมนั่งทําใมชชีนกลับไปสตาร์ทที่ปี2008สิบห้ามีนาคมถามตัวเองว่าผมจะแก้ไขอะไรไหมก็คงจะมีหลายอย่างที่ต้องแก้แต่ตอนนี้ผมต้องไปแก้ที่ที่บวนไมตรีจิตแล้วสิ่งที่ผมเรียนรู้จากคือจากพัฒนาและลงเลียพัฒนานี่นะ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสูงมากๆจริงๆครับสูงมากๆจริงๆผมก็เชื่อว่าพี่น้องเองก็จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเช่นเดียวกันเมื่อเรามีท่าทีแห่งการถวายชีวิตให้กับพระเจ้ามีท่าทีอย่างที่ท่านจามบลบอกในข้อยี่สี่ครับบอกว่าข้าพเจ้าทําการปฏิบัติที่รับมอบหมายรับหน้าที่นะครับให้สําเร็จก็แล้วกันแค่เนี้ง่ายๆเลยครับ หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายเนี่ยทําสําเร็จแล้วหรือยังถึงตรงนั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดหรอกครับว่านี่คือกิโลเมตรแรกนะผมกาลังเดินข้ามกิโลเมตรที่สองนะเปล่าเลยครับคือมันมีกําลังเดินเท่าไหร่มันก็เดินไปเท่านั้นแหละมันไม่มีหนึ่งไปสองนะผมกําลังจักข้ามไปหนึ่งไปสองนะั่นนะจ้าบายบายต้องพ R ด้วยนะครับไม่ต้อง PR เลยครับจากหนึ่งไปสองเนี่ยถ้าเรามีใจนะนะเราทําเต็มที่ไปมันไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อนี่มันเกินหนึ่งแล้วนะ มีแต่ค น, นข้างๆบอกครับบอกว่าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยนักก็พักหน่อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นพยานนะครับพี่น้องว่าพี่น้องครับอย่าคิดว่าเราทําอะไรไม่ได้นะเมื่อเราถวายชีวิตให้กับพระเจ้าปุ๊บเนี่ยนะฮะพระเจ้าจะเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เนะี่ยให้ทําได้ อย่าคิดว่าเราเนี่ยเลี้ยงดูคนไม่เป็นนะสร้างสาวกไม่ได้นะเพราะเราไม่ถูกไม่เคยถูกสร้างมาก่อนพี่น้องไว้ครับว่าผมพูดในกลุ่มยังโป้และ <c oughs> กลุ่มสตรีเสมอบอกว่าอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้แต่ให้คิดว่าถ้าเราทำไม่ได้เราต้องอธิฐานขอและเมื่อเราอธิฐานขอปุ๊บเนี่ยพระเจ้า ประธานให้เพราะมันเป็นน้าบัตไทยของพระเจ้าอยู่แล้วที่จะให้เราทำผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่าพระเจ้าให้เราประกาศใช่ไหมครับไม่ต้องถามพระเจ้าว่าโป้งเจ้าข้าประกาศกับคนนี้ดีไหมไม่ต้องถามครับอะไรครับประกาศคนนี้ดีไหมไม่ต้องถามเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าบอกอยู่แล้วว่าให้ประกาศกับทุกคนให้ทุกคนได้ยินพระกิติกุลของพระเจ้าไม่ต้องถามเพะฉะนั้นไม่ต้องถามถ้าถามแสดงว่ารเราไม่รู้หน้ามัตไทยพระเจ้า แต่ถ้าเมื่อเราเรีย น, นพระคัมภีร์เราเข้ากลุ่มรวีแล้ว เ, เข้ากลุ่มแคร์เรารู้น้าพระทัยพระเจ้าปุ๊บหลายอย่างเลยทําไปแล้วไม่ต้องถามครับขอการทรงนําจากพระเจ้าก็แล้วกันแต่ไม่ต้องถามว่าทำหรือเปล่าควรทําหรือไม่ควรทําดีหรือไม่ดีไม่ต้องถามเพราะว่านี่คือน้ำพระทยัยใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือน้ำพระทัยแล้วแต่เสียดายว่าหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราไม่รู้ว่านี่คือน้ำพระทัยหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อินทตเมซี่เราไม่ได้คุกวงในกับพระเจ้าเราไม่ได้คลุกวงในกับพระเจ้าทําให้เรา ไม่รู้ว่าเออนี่ควรทำหรออ๋อนี่ควรทำหรออ๋ อ, อนี่มีพระคมภีด้วยหรอพี่น้องครับกลับมาถึงสุดท้ายผมอยากจะสรุปครับมัทธิวบดี่ยีิบแข้อสิบเก้ายสิบอีกครั้งหนึ่งเป็นสาวกของเราอเอาพอแค่นี้ก่อนครับสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราพี่น้องสังเกตนะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่า จงไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นคริสเตียนแต่สั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกนั่นคือเ l t ติเม e g โกนั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมอยากจะวัดนะครับว่าอาจารย์ศึกษาเนี่ยประสบความสำเร็จในการรับใช้ที่ที่ขจกพัฒนาไหม ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่วันนี้นะครับแต่อยู่ที่ว่าถ้าผมถามว่าพี่น้องครับใครในที่นี้เนี่ยที่นั่งอยู่นะครับประมาณร้อยกว่าท่านนี่นะครับใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นสามกยกมือไม่ต้องยกเอาใจผมเอามือลงครับท่านยกกับพระเจ้า <c oughs> ท่านยกจากพระเจ้าผมหมดกับอีกสิบนาทีผมจะหมดหน้าที่แล้วพี่น้องแต่ท่านยกจากพระเจ้ายกกับพระเจ้าแลนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้ผมทำ แล้วผมอยากจะบอกกับน้อ ง, องๆที่เรียนพระคัมพีด้วยกันนะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราสัมผัสชีวิตของกันและ ก, กันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณสร้างสาวกมากแค่ไหนคุณสร้างสาวกคมากแค่ไหนนะอาจารย์มโลก่อนที่จะจากไปนะท่านพูดครับท่านทั้งหลายจงระวังให้ดีนี้ข้อ28นะครับ จงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้ปกครองคริสักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าตอนนี้ท่านผู้ปกครองคุิสัจเนี่ยของเราก็ด้วยแล้วแต่อุโศทั้งนั้นแต่ว่าผู้ฟังที่อยู่ที่นี่นะครับระดับ65ลงมาเนี่ยนะครับอีก10ปี20ปีเนี่ย พวกท่านก็ต้องขึ้นไปปกครองดูแลคทิศจักรใช่ไหมครับและเมื่อท่านปกครองดูแลทิศจักเนี่ยข้อ28นะครับเมื่อผมมีโอกาสกลับมาผมจะถามว่าพี่น้องจําข้อ28ได้ไหมคนที่จะเป็นผู้ปกครองต่อไปในรุ่นหน้าๆ น, นะครับพี่น้องต้องดูในข้อ28บอกว่าพระเจ้าตั้งให้ผู้ปกครองนะครับเป็นไงครับดูแลทิศจักรรักษาฝูงแกะให้ดีแค่นี้แหละครับ มีหน้าที่ที่สําคัญก็คือว่าดูแลฝูงแกะให้ดีถามว่าทําไมดูแลให้ดีครับเลี้ยงเขาให้เป็นสาวกและต้องระวังด้วยระวังว่าจะมีใครมาขโมยฝูงแกะมาลักฝูงแกะไปนะครับมีผู้ไม่หวังดีมาลักฝูงแกะไปนั่นคือคําสอนเทียมเท็จนั่นคือคําสอนผิดเพี้ยนนั่นคือแรงต่างเนี้ยทาให้คริสตจักรแตกแยกผมขอบคุณพระเจ้านะผมมาจากคริสตจักรที่มีความเชื่อเดียวคือ คือเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอานะครับสีเทาๆมันไม่มีพอมาถึงปุ๊บเนี่ยนะเราก็รู้เลยว่าอย่างเนี้ยพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่านี่มันควรและไม่ควรทําได้หรือทําไม่ได้มันออกมาเฉดขาวกวับดาทันทีครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยหละท่านบอกผมว่าอาจารย์มันก็ไม่อย่างนั้นหรอกนะมันก็มีสีเทาๆบ้างแต่พี่น้องไม่เข้าเวลาที่เราสอนลูกหลานของเราเนี่ยพี่น้องปกติแล้วเนี่ยเราสอนลูกหลานเราแบบไหนครับอ่าลูกลูกไปเรียนหนังสือนะ หนูไม่เรียนหนูไม่ชอบเรียนเอาเหรอไม่ชอบเรียนเหรออย่างั้นพักพักกันเรียนไปก่อนแล้วกันเนออะไปเรียนที่ชอบที่ชอบแล้วกันเนออะไรประมาณเนี้วิชาที่ชอบเนอะอะไรประมาณเนี้ยเป็นอย่างนี้ไหมครับพี่น้องเป็นไหมถ้าคุณมีลูกคุณสอนเขาอย่างนี้ไหมเปล่าหรอกยิ่งเด็กเราก็ยิ่งเป็นไงครับยิ่งเล็กเราก็ยิ่งไงครับไม่ใช่เพระขบขันงมยิ่งเล็กเราก็ยิ่งมีกฎเกณฑ์มีระเบียบถูกไหมพอเขาเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาเขาออกนอกทาง ออกนอกระเบียบนิดนึงเนี่ยมันยังหลวมๆบ้างแต่ถ้าคุณไม่วางกฎเกณฑ์หรือวางกฎหลวมๆปุ๊บ น, น, นเวลาเขาออกนอกทางไปอย่างนี้ครับเขาก็ไปเลยเพราะฉะนั้นหลักพังพีเนี่ยบอกว่าอาจารย์ผมสอนว่าสอนให้แคบเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่เขาหลวมเขายังอยู่เขายังอยู่เขายังไม่ตกแต่ถ้าสอนกว้างใช่ไหมลูกคิดเองนะลูกชอบอะไรลูกก็เรียนแล้วกันนะอะไรประมาณนี้ หรือว่าลูกคิดว่ายัางไงดีละ่ะลูกก็ทําเลยเนี่ย <_ A> แต่สอนแบบนี้เป็นไงครับถ้าเวลาเขาหลวมเป็นไงฮะเขาก็ไปหมด <_ A> เพราะฉะนั้นนี่นะครับคริสต์จากเราเนี่ยต้องชัดเจนอย่าหลวมนะครับในเรื่องของหลักข้อเชื่อหลักคําสอนและเราจะสามารถที่จะพัฒนาลูกแกะของเรานะครับสมาชิกของเราเนี่ยไปถึงที่ไหนครับไปถึงความไภบุญของพระเยซู และเขาจะไม่หลงไปและพี่น้องไม่ครับว่าโบสถ์เมดิจิตเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งอะไรคนอื่นนะมีโบสถ์ลูกสามารถประกาศพระกิตติคุณลูกหลานเนี่ยถวายตัวมารับใช้พระเจ้าทีมเนี่ยเป็นดรีมทีมผมกล้าพูดเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้สี่โมงเนี่ยผมต้องเดินทางไปที่โบสถ์เมดิจิตประชุมธรรมกิจเสนอ ให้เขารับอัลฟาคอสเห็นไหมอัลฟาคอสซึ่งบทเราเนี่ยเป็นไงครับเรากนะ้าวหน้านำอัลฟาคอสไปแล้วนะแต่บทเมริเจตนี่ยยังต้องไปเช่าสถานที่ที่วายดเพื่อทำอัลฟาคอสเมอร์เอชเรายังก้าวไปไม่ได้นะแต่ของเรานี่ยแอดวานซะ์แล้วนะครับเราจะทำพาเรนติ้งแล้วพี่น้องเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงเนี่ยผมมาอยู่ทางนู้นผมก็พูดว่าเราแล้วนะแล้วพอลีเฟอร์ถึงพัฒนาก็เขาแล้วนะ แต่ใเวลานี้เราและผมรีเฟอร์ถึงไม่ดิจิตเนี่ยเขาเขาตามเราอยู่พี่น้องเขาตามเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอัลฟานะครับเขาตามเราอยู่เลยขอบคุณพระเจ้าที่ผู้ใหญ่โบสถเรานะครับทมกิจเนี่ยสารพัดสูตรทุกอย่างเหมือนกันที่ผมบอกคือไม่เคยเลยงานฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยท่านไม่เคยจะขวางเลยพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราต้องขอบคุณพระเจ้านะเรามีผู้ใหญ่ที่ดีครับ ท่านเปิดโอกาสให้เราทําพี่น้องอย่างโปรลุกขึ้นมาทำเลยครับลุกขึ้นมาสร้างสาวกแต่ต้องเป็นสาวกของใครครับไม่ใช่สาวกอาจารย์ศึกษานะไม่ใช่สาวกของพี่เอกนะไม่ใช่สาวกของพี่บ๊นะแต่เป็นสาวกของของพระเยซูนะครับสร้างสาวก IDMC ครับ IDMC พี่น้อง IDMC คือ Intentionally Disciple Making church intentionally disciple making church ฝากไว้นะครับความหวังของคริสตจักรเนี่ยอยู่ที่ท่านผู้ปกครองคณะธรรมกิจนะครับแล้วก็น้องๆรุ่นหลังๆนี่แหละครับเราจะให้คริสตจักรเป็นอย่างไงนะครับอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะเปิดให้พวกเราเห็นสองพันคนที่จอดถต้องขอลงมือพัฒนาสร้างตึก5ชั้นเหมือนกับโรงพยาบาลกรงเทพคิสเทียนเลยนะ สร้างตึกห้าชั้นเลยเป็นที่จอดรถจอดได้เป็นพันคัอนอเมนไหมครับพี่น้องอครับแล้วถึงเวลาเมื่อไหร่เนี่ยก็เรียกผมมาสองันสองอธิษฐานนะครับนะครับแล้วก็เรียกผมมาช่วยผมยินดีที่มาช่วยนะครับให้ล้มใจอธิษฐานครับก้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้ข้าพึ่งหลายได้เห็นถึงชีวิต การอภิบาลการประกาศของท่านจเนจามปโลวข้าแต่พระเจ้าสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านขออย่างเดียวคือทําให้สําเร็จข้าแต่พระเจ้าขอชีวิตของข้าพงศ์หลายที่เป็นสาวกติดตามพระเยซูเป็นผู้ที่รักพระองค์เป็นผู้ที่มีความหวังใจว่าข้าพงศ์หลายเนี่ยทำการใหญ่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณสําหรับคริสจากพัฒนาที่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพงศ์ได้มีโอกาสร่วมรับใช้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพร ท่านผู้วุโสท่านผู้ปกครองคณะธ ร, รมกิจต่อจนสมาชิกทุกท่านคณะต่างๆที่ทําำรรมะกิจอยู่นี้ขอทรงโปรดที่จะให้พระองค์ได้รับเกียรติจากชีวิตของข้ามูลหลายด้วยขอมอบพี่น้องไว้อยู่การทรงนำของพระองค์การคุ้มครองการรักษาที่พระองค์จะทรงโปรดเมตตาอวย พ, พรตั้งครอบครัวถึงพงพันธุ์ของข้ามูลหลายเช่นเดียวกันกราบทูลมอบซึ่งการละกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพเจ้าอวยพรครับ